ล อ, องทำกันนะผู้ฟังมีผู้พูดฟังแล้วนำไปปฏิบัติตามอำบอกของพูดมนาะจะยินไปจึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมใครพูดก็ตาม ว่าจะแดงทำใครพูดก็าตามให้เราเป็นผู้ฟังดูถ้าผิดก็ถือว่าผิดเราก็มีเจณฑ์ี้วัดอยู่ในตัวเราจึงได้เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนและผู้อื่นสิ่งนั่นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คําสอนของผู้ที่เจ้าเมื่อมีใครพูดเรื่องเช่นนั้นก็ไม่ถูกต้องจึงใดไม่เป็นจริงเป็นไปเพื่อความไม่เบียด เปลี่ยนตนและไม่เบี่ยเปลียนคนอื่น น, นั่นชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าพอพูดเราก็รู้จักฟังได้รู้จักปฏิบัติตามคำเช่นนั้นได้ว่าฟังทำปฏิบัติตามทำหลวตาก็ไม่พูดก็ไม่เป็นไรมีพระ้าจารย์ท่านสอนอยู่แต่ขออยากมีส่วนร่วม จากมีส่วนร่วมในการปฏิบัติธรรมเพราะเป็นความดีเป็นที่เกิดแห่งบุญกุศลเป็นที่เกิดแห่งมรรคผลนิพพานมีคุณค่าต่อชีวิตของเราทุกคนผมมีส่วนร่วมที่น้อมบ้างเล็กน้อยๆที่ได้ทำมาบ้างประสบการณ์บางพบเห็นมา การที่จะได้เห็นความเทศความจริงที่มันเกิดเกลวกับกายกับใจเหล่านี้ต้องมีจุดยืนจุดดูไม่ใช่เรียนรู้เรียนรู้เป็นการคิดเห็นแต่ว่าการกรรมาฐานเป็นการพบเห็นเดี๋ยวนี้ขนาดนี้ขนาดเดียวกันนี้ เพราเวลามันหลงก็มีขณะที่ลูกขนณะที่มันหลงนั้นอยู่ในคราวเดียวกันจึงจะเป็นการปฏิบัติถ้าจนงได้ผิดไปแจ้พรุ่งนี้มานไม่ใช่ปฏิบัติทำมันก็เแก้มาได้มันผิดแล้วอคืนไม่ได้ทดลองไม่ได้กายของเราใจของเราทดลองไม่ได้ ถ้าตัดแขนก็แขนขาดไปเลยตัดขาก็ขาขาดไปเลยทดลองตัดไม่ได้ในใจก็เช่นกันชดลองไม่ได้ก็ผิดก็ผิดไปเลยถ้าโกรธก็ถือว่าผิดแล้วเป็นผู้โกรธตามๆความโกรธผิดแล้วเอาคืนไม่ได้ ทุกข์ก็ทุกข์ไปแล้วผิดแล้วเอาคืนไม่ได้วิธีปฏิบัติทำเื่นมันโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธในคราวเดียวกนนันนั่นเป็นกันได้ปัญญาได้ความได้ปัญหามีปัญหาเกิดปัญญาได้ความไม่โกรธจากความโกรธนั่นได้ความไม่หลงจากความหลงนั่น ด้ความทุกข์จากความทุกข์นั่นถ้ามันมีให้เราได้เปลี่ยนก็เปลี่ยนวิธีจะเห็นสิ่งเหล่านี้มีสติเป็นป้อมปาการต่อวิชากรรมฐานถ้าเราอยู่ในป้อมปาการเราก็จะเห็นท่าศึกที่มารอบด้านเราได้จะได้รู้จะได้ลบ ก, ก, กำลังพ้นเจะ ชนะกาศึกจะพ่ายแพ้หรือว่าเป็นนักลบกล็ได้การปฏิบัติธรรมเป็นเช่นนั้นชนะตัวเองเป็นชนะการปัจชนะเป็นการชนะอย่างประเสริฐแต่ละคนอื่นรอยข้างฝันหวนไม่เท่าชนะตนแม่ข้างเดียวพุทธเจ้าสอนว่านี้ าการลองผลต้องชนะตัวเองนักลบที่แท้จริงต้องชนะตัวเองเรามันหลงคือมันเกิดขึ้นกับกายกับ ใ, ใจเราเนี่เห็นหลงไม่เป็นผู้หลงถือว่าช น, นะช น, นะค่าศึกเพราะมันไม่ดีเลยป่ให้เป็นทุกข์เมือ่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ เมื่อนอ <ar> นย่อมเหนื่อนในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นปัญญาเป็นอย่างนี้เห็นความทุกข์ที่ตนหลงหลงในความไม่เที่ยงพายเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงหลงในความมาทุกให้เราเป็นทุกข์เพราะความเป็นทุกข์หลงในความไม่ใช่ตัวตวนพายเป็นทุกข์เพราะความไม่ใช่ตัวตนหลันจ้ญญาทรงเกิดอย่างนี้ ความรอบรู้เนของสังขารชื่อว่าปัญญาสังขารคือนี่ความไม่เทียเท่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนคือสังขารวิสังขารคือไม่เป็นทุกข์ปรความเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ประความไม่เที่ยงไม่เป็นทุกปรามไม่ใช่ตัวตนนี่คือวิสังขารวิสังขารไปสู่มรรคผลนิพพานเป็นนิพพานชีบลอง จนเป็นนิพพานถาวรได้นี่คือจะมีค่ า, ารับใช้สิ่งที่เป็นทุกข์เพราะความเป็นทุกข์รับใช้สิ่งที่ไม่เที่ยงให้เป็นทุกข์ไม่มีค่าเลยชีวิตเราเป็นบาปเหมืกับเป็นบาปทุกข์หรือทุกข์หือเป็นบาปไม่มีบุญบุญคือมัน ไม่ผิดไม่พ่านบุญอะไรก็ไม่เท่ากับบุญบวชบวชคือหนีความชั่วไปสู่ความดีจึงจะเป็นบุญเหมือนพรเวิบุญฉันพรถินบุญผ้าป่าอะไรก็ตามมาใช้บุญบวชบวชคือละความชั่วหนีความดีเปะวัชชะในปลไว้จากความชั่วไปสู่ความดีนีจากความชั่วไปสู่ความดีความหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องไปอย่างแน่ ก้าวแรกไปยังไงถ้ามันมีให้เราเปลี่ยนก็เปลี่ยนอย่างนีหรือว่าปฏิบัติธรรมชีวิตของเราเนี่ยเพื่อเพื่อการนี่โดยตรงมีมือสิบนิ้วมีขาสองแขนสองมีหัวอยู่มีหัวอยู่มีสติมีปัญญามีความกลัความโลกคมหลง เราจะเอายังไงจริงใดเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นไม่ใช่ทำมาใช่เวรนายเป็นทุกข์ความทุกข์ถือว่าเบียดเบียนตนแล้วไม่เป็นทุกข์ความประทุกถือว่าไม่เบียเบียนตนไปทางนี้เรียกว่าเป็นธรรมเป็นเวรนัยใครสอนอย่างนี้ถูกต้องไม่พึ่งตนเองถ้าใครสอนให้พึ่งคนอื่นไม่ถูกต้อง อ้อนรอนไม่ถูกต้องต้องทำด้วยมือของตกหล่นยึดของเราเป็นกรรมกระทำกรรมจำแนกสัตว์ชีวิตของสัตว์เป็นไปตามกรรมทำดีก็ดีทำชั่วกว็ชั่วแล้วก็ทำกันอยู่เพราะคนไม่ปฏิบัติตรงนี้ก็เลมีคุกมีตารางมีตำรวจทหารมีกองทัพเหงาวุญมันก็ออกมกอยู่ถ้าเราไปแช่กันตรงนี้ ต้องนับหนึ่งจากตัวเราก่อนเริ่มต้นจากตัวเรานี่มั่นใจคนไทยหกสิบกว่าล้านคนดีนับหนึ่งจากตัวคนเราทุกคนก็แป๊บเดียวสันติสุขสันติภาพเกิดขึ้นเลยต่างคนต่างดูแลตัวเองให้ดียิ่งพวกเราเป็นสัตว์สังคมกระจายออกไปให้ครอบครัวผัวเมียพ่อแม่พมี่น้อง เพยิ่งดีใหญ่จะได้ช่วยกันงานบุญเกิดขึ้นความสมัครใเกิดขึ้นบ่วงพ่อเพียงเกิดขึ้นสร้างครอบครัวเป็นสังฆะได้เป็นวัดได้สังฆะคือความสมัครใเป็นเกณฑ์ที่วัดตัดสินใจด้วยความถูกต้องทุกๆชีวิตเป็นประโยชน์สืบสคุลกันไป <c oughs> นี่ไม่ใช่เราอยู่คนเดียวก็เผื่ออย่างนั้นเราเจิกลักขอ่อลักแม่ก็ต้องเป็นคนดีลักหัวลักเปียาก็เป็นคนดีลักลูกลักหลานก็เราเป็นคนดีลูกหลานที่มีความลักพ่อแม่ต้องเป็นคนดี จะมีพื่คนดีของภรรยาพัญญาเป็นคนดีของสามีเห็นหน้ากันได้นิพพานเลยเห็นหน้ากันสบายใจอิจยุนใจเขลียนใจนี่เห็นหน้ากันร้อนตกตะลกแล้วผมไม่อยากมองหน้ามันกูโกรธกูเกียนมั น, น, นตกตะลกแล้วอันนี้ก็ไม่มีคุณแมค่าเลยเลยชีวิตของหลอก ลองมาศึกษาธรรมะต่อไปปฏิบัติเห็นประโยชน์จริงๆอันนี้สงใหญ่ไม่ผลใหญ่อันนี้สงให ญ, ให ญ, นนใหญ่ทั้งสองฝ่ายมีผู้ให้มีผู้รับสะพานกันให้การรับไม่ขาดเลยให้อาภาัยกันได้ตลอดเวลาวมช่วยเหลือแบงปนการตามฐานะ ไม่มีอะไรให้ก็ให้ด้วยกิจยินดีเมตตาไม่เบียดเบียนใครพยายามที่จะทำความดีจนจุดความสามารถในโอกาสหนึ่งวันก็มีค่าสองวันก็มีค่าวิดเราก็มีค่ามากถ้าเราปฏิบัติน่อตัวให้ดีมีประโยชน์แต่ละวันละวันแบบ วันนี้เราก็อาจจะทำลายหลายอย่างถ้าเราไม่เป็นนักปฏิบัติไม่เป็นนักปริยัติไม่มีความโลรู้ในกล่องสังขารเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นบางทีมารู้จักตัวเพื่อนผู้รู้ท่านสรุปท่านกำลังดึงกระดาษชิดสู้ออกจากกล่องท่านกาลัง ต้นไม้กำลังถูกตัดถ้าทำท่านทำเช่นนั้นกำลังเดินกระดาษเชิดชื้อออกจากโขงวันจากกลก่องวันเหมือนกับต้นไม้กำลังถูกตัดคนในโลกตัดเพราะเรื่องกระดาษตัดต้นไม้เวลาสองหมื่นเจ็ดพันต้นกะดาษชิชู้ เามำมหลังให้มันเดือดร้อนโรคกีมหาที่ห ม, หมดแล้วอากาศก็เป็นพิษน้ำก็เป็นพิษอาหารก็เป็นพิษแคนนินก็เป็นพิษจนไม่มีที่พิงเดินไปไล่ไปนาก็มีที่สารพิษพวกผีมือคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมยันเห่ะตัว บ่ทุจริงทุงาาจริตบ่ไปลุจุดตัวช่วยได้เบ่ไหวไปไปไปลื้อศพหลอนชายที่ตายไปได้แปด ต, ตีก็ไปฝังไว้ใน บ, บ้าป่าจาไปลือ้อ มีคนสุบุรีในขณะที่คนกำลังจุมจนอยู่มีเสียงสวรรค์ดังขึ้นมาครูเก่าครูแกคนหนึ่งครูเกษียณคนหนึ่งผุทสุบุรีในขณะนี้ผิดกฎหมาย กบุหรีในชุมชนในที่สาธาระคนลงังมากจำนวนนี่เหม็นบุหรี่ผิดกฎหมายหยุด้ะหยุดสูบซะกันลองออกไปดังๆเออนี่ยเสียงสวราอากาศกำลังหายใจอยู่เพิ่งกับพริบผิดเข้าไป บางทีพ่อส er ูบบุรีลูกน้อยกําลังนอนอยู่ในห้องลูกน้อยไออกอกเห็นโรคปวดวอมสัญญาไม่ท่องปิดบุหรี่มือสองไปด้วยเียดเบี้ยนกันเดี๋ยวมาลูกจตัวเห็งเจอตัวได้เงินมาหนึ่งบาทแทนที่จะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว สมัยหนึง่งสอนเด็กนักเรียนอนุบนาลพ่อแม่พากันจินเล่าเต็มบ้านเต็มเมืองสอนเด็กให้ร้องเพลงให้ผีการกระทุบตีหัวเทียมคาดตีคาดเทียมหัวที่หัวเทียมคาดอกขุดทองโอ๋สมปาดเป็นเงินสาบาทอีพอออกไปไปชื่อเหล้าไ มีเงินสองบาทไปเชื่อป่ามาแจงใส่ผักได้กินทั้งลูกทั้งเตาีพ่ อ, อไปเชื่อเราแล้วกินแต่เล่าพู้เดียวเงินก้งละสองบาทกุง้งละสองบาทพ่อไปซื้อเลรามากินได้กินก่อนเดียวถได้เงินสองบาทไปเชื่อป่าทูมาแจงใส่ผักแล้วกินทั้งครอบทั้งครัวให้เธอลอง เวลาลงตาไปวินทา บ, บาทเห็นหน้าหลงตาต้องร้องเพลงเลยเซลให้มากเด็กก็ร้องจร่งๆเว ล, า, ลาไปเินทา บ, บาทเด็กน้อยเห็นเลอุป๊ปุโตมาโอสองเงนืนสองบาทแต่ภาษีบามาจางใส่ฟา้าไปจินทั้งโลกทั้งตอกอีพอออกไปซื้อเราได้จินเราผู้เดียวงทีก็ อ, อได้ินดช่ โกงแรงงานของครอบครัวลูกน้อยก็มีแรงงานแ้่เราไม่ชื่อชัดอะไรก็ผิดเบียดเบียนเราก็รู้จักตัวนะปฏิบัติกันทำกันเถอะพวกเราดูแลกายใจให้มันคุม้มมีสติเป็นเจ้าของการมีสติเป็นเจ้าของจิตใจต่างต้นติดต่อกันโลชักเจ็ด วันต่อเนื่องไปเจ็ดวันได้เปลี่ยนความหลงในรั่วจีร้อยหลงได้เปลี่ยนความทุกข์จีร้อยทุกข์ได้เปลี่ยนความโกรธจีร้อยโกรธไปจะเห็นให้เราเปลี่ยนมันจะวาให้เราเปลี่ยนเราได้เปลี่ยนลายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกมันก็เป็นกุศลเป็นบุญเป็นงานชอบที่ชุดเลยก็เลยเปลี่ยนความหลงเป็น กลมไม่หลงเปลี่ยนกลมไม่เป็นามมากลมดีก็เป็นประโยชน์ไปอีก ม, มากมายแล้วนูกนก็ทุบอกไปอีกจไป็นยังไงชื่อเหล่านี้มีอยู่อย่างนี้มีจริงๆโลกใบเดียสัตว์โลกก็มีอยู่จริงสิ่ี่เป็นส่วนรวมก็มีจริงอาศัยโลกอันเดียวกันนี้จริงๆเรื่องแบนี้ก็ เท่ากันจริงกําลังหายใจอโอโซนบริสุทธิ์ที่นี่ก็ไม่จุดทูบจุดเทียนไม่มีคาร์บอนมอนอกไซด์ให้มีอากาศโอโซนตามธรรมชาติเวลาเราจอดมวนได้หายใจเข้าหายใจออกอรหังสมบองสมุทโทปกวาเป็่งลมออกสูตรลมเข้าเราะผู้มีพระเผล่าจอลมออกผ่านลมเข้า มีจิตติเข้าไปสามิบนาทีได้ประโยชน์ ย, ย่อยหนึ่งได้สาธยาพระสูตรของสรนสอนได้ขายปวดต้องให้ปวดมีกำลังกอกเลือดพกลมได้ดีสอด้มีสตติได้ฝึกกิดที่มีสตติ นี่บรรยากาศในเวทท้งพุทธศาสนาวัดวารามกายเนบริสุทธตอนบ้านอยู่ข้างสลาหัวแต่นี่กำลังช่วยปะประกาศส่งให้เราหายใจด้วยความบริสุทธิ์ไม่เหมือนที่โล่งที่แจ้งในบ้านในเมืองมีตัอเสียในควรมีอะไรต่างๆทันนีไม่มี ให้อยู่ในความบริสุทธิ์เป็นดินห้ารอยไร่นี้ไม่มีสารเคมีไม่มีสารพิษทั้งนั้นไม่ใช่เคมีก็ไม่ใช่สารเคมีก็ไม่ใช่นี่ให้เป็นของบริสุทธิ์ที่นี่เป็นแผ่นดินของเราที่มาอยู่ที่นี่ขออยู่อาศัยได้บ้างเพื่ออะไรเพื่ออยู่ร่วมกันในการปฏิบัติ เพื่อความสุขของท่านเพื่อความสุขของเราเพื่อควาุขคนทั้งโลกตจะจรเราเจอนแล้วก็ไปทําลายจนแม้เราไปทําลายคนอื่นทำลายแล้วก็แย่ขายคนอื่นจุดไฟให้ไหมมาแล้วก็ดับไฟเพื่ออะไรเพือ่อไว้ให้ลูกให้หลานไม่ใช่ของเราเอง จึงเป็นชวนรวมชวนลวงท่ น, งนทำท่านอุปถัมภ์ที่นี่แล้วก็ทำประโยชน์ทั้งชวนลวมก็าหมอใส้บาดเราเข้าใส้บาดมันเป็นเลือดเป็นเนื้อของพวกเราเราไม่มีกำลังและทำความดีเราก็ไมาใช้ชวนผู้ลอยพูดได้เต็มปาก บอกผิดบอกถูกใช่นี่ได้บอกได้สอนแล้วแตท่านเป็นทุกข์พบควงทุกาทาขห์หรือว่าไม่เชื่อเราแล้วท่านหลงพบกวามหลงหรือว่าไม่เชื่อเราแล้วท่านดื้อเองหลงก็ดื้ออยู่เนั่นโกรธก็ข้ามมันข้ามคืนดํามมันไม่เปลี่ยนเถออย่าดื้อย่าดัาดาน เปลี grow, we were, e, ่ยนความหลงเปลี่ยนความทุกเปลี่ยนความโกรธให้ไป็นความหมาทุกข์เป็นโกรธจะได้อยู่ร่วมกันส่วนิทสนมนี่ถ้าท่านผิดถือว่าไม่เชื่อเราไม่ใช่ความผิดของเราแปลก็เป็นของตัวท่านเองติมมั่ในป่าในโลกนี้หมดแล้วไม่ใช่ความผิดของเรา สมัยสีีปีเราอยู่ที่นี่มีจ้องมีเสือมีเจ้งมีกวงเเจ้าเนหน้าก็มีฉดล่องกลางคืนตลอดคืนหน้าฝนก็มีฉดล่องกลางคืนตลอดคืนเดี๋ยวนี้เงียบไม่มีลอยคนต้องลาย เ, เหมือนเฉิตัว ขอไหวกไ็ได้ขอเปินทาบาทเขาจะข้าเอายิงเบืนข้าหวาาั ว, วขอขอเป็นบาทจะยอมเหยก็ไมก็เป็นเขตอายัฐานมีป้ายแล้วยังมาตัดมันทาไมไม่ไมไมขอเป็นทัพบาทไว้ขาโกรธหรอออกไปก็ยิงเป็นข้ามไปไม่ขาดเป็นปุ๋ยเลย เราทำความดีก็ไปสวนทางกับความชั่วของคนที่มีความเห็นเกตัวเดีย๋ยวนี้มันก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วภูเขาหัวโลนอากาก็ร้อนขึ้นทั่วโลกเราจะทำง่ายมาช่วยกันเป็นคนดีไปอยู่บ้านไปอยู่ในชุมชนดิ้งเยอะเลยท่านี่เป็นเจ้าหน้าที่เป็ น, ปนอบจอเลยใช่ไหมำจำช <Huh? S 2> พอป จ, พ อ, พ อ, จนอนนโอ้ดีมากเลยมีอำนาจมีการในงานเป็นส่วนรวมงานของท่านอจปจอบันงานบุญไปช่วยมรรลยเดี๋ยวนี้น้ำกาดแข็งน้าเด่มไม่มีแห้งแล้งในบ้านเเห็นพระวัดจุกตัไปวัดภูกขาทองมหลวงพอ่อน้าฝนหมดแล้ว <laughs> นั่นนี่นั่งน้่นาผนหมดแล้วไม่มีแล้วอ้าก็บอกว่าตัวใครตัวมอนเนอะวะ <laughs> อ้าาเป็นยังไงนะอันนัน้นนะจนบางอารพณ์เราเนะี้ยยังไม่สายเกินไปอดอกมาช่วยกันเถอะนะอย่างน้อยอนเราเนี่ยทุกวันทุกเวลาเป็นประโยชน์ทํานั้นทำความดี เริมนับหนึ่งจากตัวเรามีสติดูแลกายใจให้มันคุ้มการดูแลกายใจให้มันคุ้มมีสติเป็นเจ้าของกายจะได้ปลอดภยัยใจจะได้ปลอดภยัยไปชีวิตที่ไม่มีภยัยเมื่อชีวิตไม่มีภยัยก็ถึงเข้าเป็นพระอริยบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งได้ ตอนนี้ชีวิตมีภยัยมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นปัญหาต่อคนอื่นมันก็ไม่มีเสียงนะเนี่ยเรื่องส่งก็ไม่ค่อยดีเครื่องรับไม่ค่อยดีก็ว่ามันก็ทำอะไรมาค่าได้มากตอนนี้ไม่ขอพึ่งผางใช้พวกเราช่วยกันเป็นคนดีเดีย รามโสนไปกันเรื่อยๆวีรูสองนอ้องรูดังต่อไปอย่าให้จบไปสิ้ น, ขขนจุ้งขวัญเจเวลา